ธรรมชาดกแผ่นที่11ดลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15สิงหาคม2557มีชื่อเรื่องว่าเสียเลือดเนื้อเพื่อวัดป่านาคำน้อยนักเรียน5โรงเรียนน่ ในละแวกนี่ตั้งแต่บันหวยเพียงงามปันชุมพ้นสมประสงค์ต้วนมหาลงเลยนบ่บันกล้องหน้าค่ำหน้าค่ำหน่อยคู่บ า, าจานผ้ามาปูกแฝกปลูกหญ้าแฝกลิ่มสะแต่วหลวงพ่อกระเได้ถามผ้าเพิง ปลูกหลายปนันเยาวนเลได้พุรตุลได้พุรตนกระบดหูจักนักเรียนมาหลายได้หมื่ว่าไนไลยแต่หลวงพ่อกับเบิงเบิงเลยก็นี่ตะบอกว่าให้เตรียมอาหารเลี้ยงข้เจ้านะลูกหลานนะตอนเทียงอาหารเทียงเบิงให้เพียงพอนะ่ะก็บอกผ้าอีกเบิงนะ่ะ อาหารเถียงเล็กน้อยเ น, ะนมมานะน้มบะพรอนปุณไปสั่งมาเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านยามห่อจนหอากระจนแต่นี่มันพ่อเป็นพ่อไปเยอะแล้วเป็นแต่เลี้ยงลูกหลานมาเอาเลี้ยงสมัยหลวงพ่อมาสาั่งวัดไม่ในห้องน้ำที่ห้ามาทางเขานะี่ที่มีสังกะสีแต่ใหญ่ ตั้งขวาเมือนะ่อไปเบิงนะวันที่ปีพ่อสอนะวันที่ยี่สิบสามกนะุมภาสองสามไปเบิงตนะ้อเป็นพ่อสอนหะลงพ่อเขียนว้แตะปางปุ่นนะสมัยนั้นนะ่ะสวมนั่นนะเป็นสวมแรกเขาปุนที่เมตมะหัยสองถุงหลักมาเห็ดสวม สวมทายแต่ก่อนไม่แต่สวมปลอยหลวงพอไม่อยู่ละเห็ดสวมเห็ดสวมซึ้มเดกหน่อยบรรณค้ำหน่อยอาจารย์เหลิมเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์พระลูกหลานมาเก็บหินเก็บหินกับเก็บไส้เขาไส้ใส่กูกระป๋องขึ้นมา ก, กับมาเทแล้วก็เก็บหิน เึ็นมากองไว้เพื่อผสมก้าปูนเนีย่ยเก็บเห็นหวยล่างบรรดาตอนเที่ยงอยากจะกินเผาปะเนะี่ยเด็กหน้อยมันหิวเนี่านลุงพอเอาไปเอาไปไปต้องกลวยมากล่นไฟพอล่นไฟเลยสองสันันก็นยิบไม้ยิบกลวยนะบ้าน้ำไหวามากันยิบเป็นกลวยอต่ลุงพอเนี่ยเก่งอยูย่เลยเพราะคนลุงพอเป็นคนปลาเลย เป็นคนอยู่ในป่าพ่อหยิบกวยเรียบร้อยแล้วอา้าวเปิดปลากระป๋องปลากระป๋องก็บวหลายต่างหากนักเลียนไปถึง0ี่คนปลากระป๋องก็มีอยู่ 3-4 หากระป๋องจากน้วก็เอาปลากระป๋องเท่ต้องใช้กวยเท่ใล้กวยใช้กวยพื่อาหกเจ็ดแปดกวยว่ พ่อเน่ยก็ให้เด็กน้อยส่งไปล้วเอาคำขขาเข้าเข่าเนียวนี่ยจิ้ยยมกินแลวก็ส่งไปมากกล้วยนั้นมากอีกจั่มกินอีกชงไป อ, อีส่งต่อๆกันวน เ, เด็กน้อยมันกินไวได้ปะเนี่ยพ่อเกี่ยวว่า ม, ม, ม, มันเกินแล้วบักนั่นไปซางงงา ง, งาเบืงซาแท้เข้าเนี ภาพพนะมันติดตาเขาย่บประจาบบลืมกระเทาเที่วนนิ่อนอไปเฮ้าสมัยเฮาอยากหยดอาทิตถ้วยสีใสแก็ยังบดมีอไปยังเอาใบไม้เห็ดกุ้ยนั่นแหละเอาปลากระป๋องใส่พอกินเลยทก่น่าจำกินมอกินก็ส่งไปบางคนมันก็ะ่าจะได้กว่านีอมันก็ช่วช่จิตจำงงงางงงาเกนอไปเออไอพวกที่มันก็เห็นี่มันมันยังซาแท้ นี่นแอันนี้ก็คือการเลี้ยงอาหารเด็กน้อยมาเหตุงานภายในวัดของเฮ้าตั้งแต่เริ่มสางวัดในมาเข้าในเฮ้าพ่อเป็นพ่อไปแล้วจิเลี้ยงให้จังได้ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงล้านเพวัะนั้นพวกเข้าตรงเลี้ยงมีโอกาสลูกหลานมาวัดมาทําการทํางานอย่าดูดายหลวงพอ่อปเดวาเป็นติดสื่อขนมน ม, นมเนยมาแจกเอาซื้อมาก แกเกลี้ยงเขาลูกล้านหลุนนั่นก็รุ่นที่เฮ็ดนั่นก็เป็นหนุ่มเป็นสาวมีขอบมีขั้ว ม, มั่งทั้งแหละที่มันซอยสางวัดของเฮ้าตั้งแต่ปี 2-3 น่ะดนปันไหลอันนี้ปี 5-7 แล้วนะสักปีแล้วนะอันนี้ก็คือวัดว่ดาศาสนามันบริมวนของผู้ใดผู้หนึ่ง บ่เป็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสร้างมากตั้งแต่ที่แหลกใส่สติใส่ปัญญาใส่ศรัทธาใส่ความเพียรใส่ความอดทนร่วมกันมากจนมาถึงจุดนี้ในเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเฮ้าไปเจ้าวาเฮ้าไปพึ่งผ้าอาศัยผู้ใดเลยอันนั้นกรบวนหาจะถูกต้องความเปิดมากของวัดว่าศาสนาเนี่ยมันเปิดมากตั้งแต่นับหนึ่งกอไก่เลย นับหนึ่งสองสามจนถึงมา ถ, ถึงบัตรนีแ้แหละการก่อสร้างการกระทําล่องทุน่นล่งแรงกลุ่มเรานันมาเห็ดวัดว่าศาสนามาเห็ดทางจงกุมให้พระมาเห็ดท่านมาพัฒนาถนนหนทางให้กู้บาอาจารย์ถึงแต่สมัยนุน่นมัดเลือดมด อย่างไปตอนไหนบ่หูเป็นยังมัดเลือดอยุ่งกินนั่นแหละพวกยุ่งกินบางครูมือเนี่เอาเขาไปในป่ายุ่งมันหลายปันไดหนสิเชยแล้วถนนตะไรเซ็นยุ่งกีกัดยุ่งกินพวกเขาเล่านั้นเท่าไหร่เสียสารเลือดอาบางที่บางข้างคับทั้งมีดทั้งจอบเออทั้งไหมเสียบทั้งไหมแท่งอีกต่างหาก บางที่ก็ตกกุฏิตกาสาลาอิตาหาะแต่ก็ย่งดีแต่พัดสางพัดมากเลยยงพวท่านมี อ, อย่างที่เกเสียเลือดเสียเนื้อกะทังตายวัไปบ่ ม, มีบ่ ม, มีพวท่มมานมีที่ว่า ม, มีปัญหาแต่ก็มีอยู่เลยเรื่องสาหัสสากันก็มีอยู่าบางที่เนี่ยขับรถมากเลยรถ อีตอกรถไถหน้าเลยมันบูเยงเยตะเขากระดูกคางกระดูกคางโยไปมามแตกอันนั้นมีอยู่ถึงขนาดนั้นแล้วก็รุ่นเกาใช้รถขนหินขนทรายมาจากบ้านผือแต่หลวงพอ่อไปอยู่แบช่วงนั้นหลวงพ่อสดกับหลวงพ่อนีพ้นอยู่ฝ่าวัดหลวงพอ่อยู่บันญัติอยู่ อันนี้ก็เนี่ยเท่าแกจูจินดาโยมเอฟภพยขีครถมันเนี่ยแหละแถวบันโนนสมบูรณ์พอพอมันคืนแล้วบนี่ยพอมันคืนแล้วมันมันล่งปะเนี่ยลอ ง, งละลเบรกแตกรถคนใหม่แต่มันดัดแปลงให้มันเป็นรถเฮ็ดสองขางขึ้นมาขึ้นรถสิบหลอดแต่เป็นรถคนใหม่แกใหม่ อกมาแกหินแกท่ายแกปูนเขามาสาวัดพ่อโลกมาเท่านั้นแหละพอกินดาเนี่ยกระโดดก้อนมไปพวกกุญจุมอมกระโดดกอนมันก็ใส่ห่ำลงไปเฮบาดนี่เาแกจูกจูทั้งทั้งตำตำก็มัลงไปก่อนหินกอนหินเนี่ยหุนหินน้โขงนั่น ถ ม, มเลยว่าเล่ถมผู้เ่าอพ่อถมแล้วกิอพวกนี้ก็ล้มมาจากรถควัดกันไปแล้วบ้านเอผมมือขวัดเอามือควัดหินกองมันถมมันถมเลยแต่ เ, เตย่แต่ห้องออกออกญี่ปุ่น <c ười> คีดินมันถมหมดนห่ะคีหินหินนาําโค้งมันถมถมข้นหมดเลไปออกอยู่ออกออกอยู่พวกได้ก็ดวัดควัดควัด ควัดขึ้นมาพอกควัดขึ้นมาเห็นข้นหอได้แต่หอนรักแร้ลงไปพอลักแร้เกิดมันบ้านนอกแล้วมันบริคิดแต่อ่านมันไปดึงจนแล้วบานเออพอหหลักแร้ดึงไอ้ก้นไอ้หินมันมันทับขาได้มันบ่อหลังเออวันเราความดึงหมดขึ้นพราะผ้ากันดึงหมดลงไปตั้งทีมันตั้งทีมันตายจะควาดควัดจะก่อนมันจะขึ้นตัวมันเห็บขาเนีดินมันถมขาไปเอาไปมากก็ขาลุดจนแล้ว เอขารุตเลยขังขางขวาเนี่ยเสียขาแล้วเพื่อนพ่อเดีมันก็โอ้เจ็บขอาไปโลงพยาบาลไอ้เพราะพยาบาลมันมันมันขามันรุตไปเลยเขาก็เลยจับหยัดขาเขาลงไปสีดยาสีดยาชาฉีดยาฉลบแล้วก็เขายัดขาเขาบไปโอ้ไอ้ผู้เท่าวะเนี่ยมันเจ็บผมนี่เด้าคือวะจ้ะเนี่ยเจ็บค่าเจ็บแนววะจ้ะเนี่ย มันพลละเมอละเมอเนี่ยแล้วสันไหนขึนไปเวลาเขาดึงขาเนี่ยไไ ข, ข, นะขึกันกับจอกของร้อยขึ้นไปทั้งรอยไปทั้งเพดาน เ, เพดานโร่งพยาบาลไปหอดเพดานดันจอกของมันนนไปดันจอกของขึ้นเพดานได้สันแล้วสันไอนปีทะองโอก๊กโอ๊กโอเออเต่ปูชื้อเดเพ่ฝันฝันละเมอละเมอสันแล้วสันไหนแล้วแก๊บจู่ว่อยฟัง่ลงลูกพ อ, อยังคิดโจรออกไปพ่อต่อมาเนะี พูดถ่อก็นั่งย่างเ ด, ย ง, เ ย, เ ย, งเดยงดีกว่าไงย่างเดงดับเด้งรับลงไปเพราะเพราะขาลุดโบกเลยต่อมาบาเนี่ยโบกโบกกระเบา่ามันบกเข่ากันว่าเนี่มันชนกัน เ, เขาก็เลยไปหาหมอขอนแกน่นสีนครินขอนแก่นหลวงพ่อก็ทรงไปหาหมอไปเบิร์เขาก็บอกว่าบอได้ดอกต่อไปเนี่ยฉีดปวดย่างมากเลย คันพอเปลี่ยนใหม่หลวงพอเอาเปลี่ยนกับเปลี่ยนอะเท่าไหร่ป่ะสมัยนึงเอาหกหมื่นหกหมื่นหลวงพ่อเอาเปลี่ยนเอาเงินวัดเปลี่ยนเปลี่ยนขาให้ผู้เฒ่าลงไปเงินวัดเปลี่ยนมาเนี่ยเขาก็ตัดเนยตัดกระดูกขานี่ยตัดเคร่งขาลงไปเพราะตัดเคร่งขาแล้วก็เสี่ยมตัดให้มันเป็นกระดูกคือกันครับนี่แหละกระดูกคือกันครับ เสียบปากขวดเนี่มันไปทั้งเ่องเลยทั้งเทิ ง, ทงเลยก็เป็นเบ้าขึ้นกันไงเออเป็นเบาเป็นตัวกระโหลกเออเขาก็มาตัดตอนก็เสียบใสักันคือขันน็อตพอขันน็อตมาแล้วเขาก็จับหยัดใจหันมันไปหยัดใจขาผู้เฒ่ามาแล้วเขาก็ไยิบผมเลยมาแล้วเออยางเทียงมาแล้วเศร้าปวดกันไปออหายปวดเศ้าปวดผู้เฒ่าก็ยางเทียง ออพอต่อมาอีกประมาณทักได้ห้าหกเจ็ดแปดปีมัง้งนีิปีเนี่ยนะพุทธเอาก็เลยตายแล้วนะมรณะาพอยมรณภาพทั้งแพทย์ทั้งหมอทั้งมูญว่าพุทาตายแล้วจันทร์ลงพอสีผ้าเอากระดูกขาตอนนั้บอเอาหมอหมอเขาว่ายังใส่ได้กับผู้อื่นอีกเด้เออชังนั่งใส่ได้กับผู้อื่นอีกเออไอ้ข่าวข้นกระดูก กระดูกฮักแบบนี้ไงแอบไปว่าเอาไปใส่กับผู้อื่นใดอีกเพราจะน ไ, เไปเฮ้ยเดี๋ยวไปอาเตซจังไดมันบวแผนแน่อววว่ะวะเบาเ บ, าบาเดี๋ยวเขาเสีาายอา้ไปกันปุรดอยากไดวะวะ <c oughs> <c oughs> นี่นแหละลงผอผ่านประสบประการมดแต่ลูกหลานนี่ยที่เบาห้ฟังนี่ยกันเบาเบาห้ฟังลูกหลานขาบงหูนี่แหละสังวัดว่าศาสนาของพวกเข้ามาเนี่ สางมาด้วยเลือดด้วยเนื้ออหลีปกที่เสาเขาสางมากรอแต่ทว่าแกจูเนี่ยล่ะเพรเะท่าตายไปแล้วนะอขนาดตายแบบป่วยหนักอยู่ในโรงพยาบาลเอยังประงักประเงยประงักพระเอยวันละไปบ่ไปวันนี้มดลงพอมาเลย้องเออเออเอาก็เล่นในมดลงปูเพี้ยนลงปูบุญมี่คู่บายจานมาก เออมาห่อกัซักผ้าบังสกุลผ่าขาวมาเออพอซักมาแล้วห่อก็เลยซักบังสกุลในบุญครูบาอาจารย์ซักบังสกุลพอซักแล้วก็เอ้ยเถ่าแก่เอ้ยแล้วพต้อง่วงพอได้หรอกไปให้ดีมีสุขหนา้าให้ระลึกถึงคุณงามความดีให้ระลึกถึงบุญกุศลที่ได้สางวัดว่ า, าศาสนาสางวัดมากับหลวงพอ่อหลวนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลมาน้่มน่าน ้วยบุญ้วยกุศลทั้งหลายทาั้งปวงคุ่มข้องเนะ่าไหวด้วยความผาสุกเนะตบแก่นะ่าปะตองห่วงเน ะ, ะตองห่วงลูกห่วงเตาเรกเดี๋ยวหลวงพ่อจีซอยๆอยเบิ่งหยุดลูกหลานเป็ดยังไรพ่อหลวงพ่อยางออกมาจากในหองเนะคูบาจานยางมันออไม่หองพู้เเ่าก็ไปเรือยวนไปทั้งทีโอ้โตโกนา น, นี่เพังหงบับเงเงยอยู่พอแห้ง พยอมไปวันออกไปยื้อวันออกไปพอแล้วพอไปจัดงานศพเนี่ยพอจัดงานศพแล้วนั่นรถแท็กเตอร์จอดจอดอยู่คางๆนะเอบีบแกเองแล้วออกไปห้องจะเป๊กเป๊กเป๊กวันออกเขาว่าโอ้แถาแกกําลังจะขึ้นขับรถเขาเอะแถาแกจู่วัไป แต่ว่าหลานผู้หนึ่งหลานหน่อยที่พ่นหักมากๆเนหายมาจากแล้วจากเลิกวันนงไปเออหาแบบอันนอิลีเดียวเนาะก็แปลกกั น, นะนี่แหละอะไรลูกชายไอ้ตีนี่เป็นลูกชายใหญ่พ่อฝันพอมาบอกวัั้นตีว่านันเยไปสอมรถดับใปหลวงพ่อเนีรถดับหลวงพ่อเสียแล้เมื่อไปสอมรถดับเริ่มวันนึ่ตื่นดีมากมันก็มาก มารดบาลดดาเพาเสียอิริโนไปพุ่นยังเป็นห่วงหวัดห่วงว่าห่วงปานันได้วนะห่วงขนาดรดเท่าเสียยังไปบอกลูกชายมากให้มาสอมไห้วนไปเนี่ยแต่บอลลดราบก็นเนี่ยก็มมี่เถาแก่นี่ะกับไอตีนี่เป็นผู้เบิ้งไห้วนไปมันเป็นรถของของอังกฤษเสมัยนั้นการที่ส้ไปมุอื่นเขาเฮดพอเป็นวันไปนี่นะพุทธเาเป็นห่วงอีเลยเป็นซางวันไปเนีู่กชิดลูกหา ของหลวงพ่อนะี่คุณเก้าแก่เนี่ยในเบี้ยงพอสงัดถึงผู้นึ่งต่อแกจูพูหนึ่งกินดาผู้หนึ่งแต่ก็เป็นยั่งอยู่กับะมาณ80ปกว่าปีเมืะะ่อตะนาวเว็ด70กว่าแปดชิปนี่นะนแหละผ่านไปผ่านไปวัดว่ดวดาศาสนาวัดเท่านะี่ยยังว่าปีหนึ่งหลวงพ่อจังหว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีอุปกร ะ, ระคุณของวัดที่ได้เริ่มสร้างวัดมา ตั้งแต่เริ่ ม, รมแรกนะนี่แหละแล้วก็พอออกพอตูผู้ใหญ่เนี่ยเมโซนเนี่ยอันนี้เป็นกถวายที่ดินของเฮ้าเนี่ยทั้งขวามือลงพอเนี่ยหลายลายที่เดียวเลยแล้วก็พกตูขาโม น, นี่แหละตูขาตูแหวนตูเดือนตูเม็กผู้ถ่าผู้แกนบัณฑ น, นาคำหน่อยนยแล้วก็ทั้งบัณฑชุมพ่นคือการผู้แย่ล่าพวกมนน หลวงพอ่อจนจําจำลืมตูโหนตูหนวดล่วนแลกจะเป็นภูมิอุปกรณคุ้ของวัดทั้งวัดที่ในซอยวัดว่าศาสนามาถึงปานนี่เ่ย่มเป็นใส่ข้นหน่อยปันไหนบ่มเป็นข้นหน่อยปันไหนได้แหมมากไม้ทีเดียวละ่ะจนมาถึงพวกเฮาพวกเฮาเนี่เอาทำคุณนํำความดีสางคุ้นง่ามความดีไป บาราซางกับบุญกุศลกเขาสู้จิตเขาสู้ใจของไผยของมันต่างคนต่างไปบัานเลยหลวงพ่อก็บอยู่ขึ้นกันนะวะเอาละพอนะทีน่นะ